ถ้าอะไรที่เราว่าไม่ยึดหมายหรือมันไม่มั่นหมายของมันนั่นอันนั้นมันก็ไม่มีทุกข์มันก็ไม่เกิดไอ้ทุกข์ที่ยไอ้ที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากพบมันมีพบที่จะเกิดมันก็ต้องไปเกิดที่พบคือความเกิดนั่นน่ะมันไปเกิดที่พบตัวอุปาทานนี่แหละมันเป็นพบนะ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 สุขเกิดที่อุปทานทั้งนั้นนการเกิดขึ้นมามันต้องอาศัยภพคือชาติถ้ามันมีชาติขึ้นมามันต้องมาจากภพมันจึงมีชาติชาติจึงมีชรลาชรลามีพยาธิมีมรณะโสกปฎิเทวนาทุกไปเลยไม่ต้องดูใครแล้วแล้วมันดูเดี๋ยวนี้อออุปทานให้เกิดสุข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 เมื่อชาติเกิดขึ้นมาที่พบเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาตรงนั้นชาตินี้มันก็รู้จักที่เกิดมันคือพบสุขก็ดีทุกข์กดีมันเกิดจากพบทั้งนั้นการทึ่จัดมาเป็นเป็นชาติทุขเกิดสุขขึ้นมามันกว่าเป็นชาติอันนี้น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 มันกี่ชาติเนี่ยเนี่ยไอ้กายเราเกิดขึ้นมาจะนะเกิดขึ้นมาเคือเนี่ยเรายังไม่ตายกันเห็นไหมนั่งอยู่นี่แน่ยังไม่ตายไอ้เรื่องจิตที่มันตายนะั่นน่ะมันไม่กี่พบกี่ชาติมันกี่หมื่นชาติแสนชาติะบางทีมันมีสุขขึ้นมาเราก็ชอบอืบางทีมีทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่ชอบเห็นไหมแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่มันกี่ห น, นกี่กี่พบกี่ชาติเนี่ย ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญในร่างกายไม่ต้องอะไรมันนกเมื่อจิตยังพประทานอยู่อย่างนั้นไม่ต้องสงสัยมันนก ม, มันก็เป็นธาตุปัญหาเรื่อยไปนั่นแหละถ้าพูดตามทางปรามัดคณะของจิตอย่างนั้นเรากำนดกิตของเราพูดไม่มีปัญญาไอ้คนที่โง่ก็เกิดเรื่อยไปปรารถนาสิ่งที่จะเกิดขึ้นมานนหละ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 ชาติถ้ามีชาติมันก็เกิดมาจากพกเกิดได้ก็ต้องตายแต่คนปรารถนาหนักหนาได้เกินมาปรารถนาเกิดจะไม่อยากตายนี่ดูที่คนแล้วนะมันเป็นอย่างนี้จะไม่มันทุกข์จะเป็นยังไงหระมันก็ต้องเปลี่ยนของมันอยู่อย่างนั้นนี่คือคนหลงโลกหลงอยู่ในโล ก, กานี่แหละไม่ไปตรงไหนละ่ะปรารถนาอยู่เนี่นยไอ้ความเป็นจริงในใ น, ในโลกมัน สุกสดิบๆบมันเกิดเตายตายตลอดเวลาอืพระโยคามจรเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเห็นจิตเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้ท่านมาเห็นมันเป็นอย่างนั้นนี่ยมันเกิดเตายตาเกิดเกิดเป็นของไม่แน่นอนสักอย่างหนึ่งเลยถ้าพิจารณาแล้วท่านรู้มันอยู่ทุกวิธีน่ะมันก็เป็นของมันไงไม่มีอะไรจะแน่นอนสักอย่างหนึ่งเลยเกิดแด็กตายตายแล้วก็เกิดเกิดเด็กตายไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นสารเลย เดินแปลแตงการู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่งแตงการู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นว่าจะเอาตรงไหนล่ะเอาตรงไหนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเอือเอาโลกเอาตรงนันมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเหมือนกระไรก้อนเด็กใหญ่ๆที่เขาเข้าเตาหลอมแล้วน่ะร้อนทั้งข้างจำไหงยกขึ้นมาเอามือไปแตะโดยที่ข้างบนมันก็ร้อนใช่ไหมข้างล่างมันก็ร้อนใช่ไหมข้างข้างมันก็ร้อนอออมันร้อนทั้งนั้นที่ไม่ร้อนไม่มีเลยเพราะว่าเออ มันออกจากเตาหลอมมาเด็กทั้งแท่งมันแดงหมดนันมีที่เย็นไหมเนี่ยอย่างนั้นพระพุทธองค์กจยังสอน mm hmm. ว่าให้พิจารณาไปย่าให้มันเกิดถ้าหากว่าย่าให้มันเกิดถ้าพูดอย่างนี้คนตกใจเลยคือตายไม่ได้เกิดคือบาปที่สุดแล้วนี่ชาวโลกเข้าใจตายไม่ได้เกิดคือบาปที่สุดแล้ว แสนที่สุดเลยไม่มีใครอยากใจเลยนี่เห็นไหมไอ้ความเป็นจริงนะถ้าว่าตายแล้วน่ะมันไม่เกิดอีกแล้วมันหมดลบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วน่ะไม่มีอะไรแล้วเน่ยอะไรมันก็ไม่มีแล้วเน่ะมันจะสุขไหมสุขมันก็ไม่มีเลยจะทําไงมันก็ทุกข์เถอะทุกข์มันก็ไม่มีเลยไงอย่างนั้นก็ไม่น่าอยู่ลไรความคิดไม่น่าอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีในที่ตรงนั้นเอาสิ อจะอยู่จะไงไหม เ, เราไปแม่อยู่เงินฉันก็ไม่สบายไอ้พวกไม่สบายอย่างนั้นความคิดอย่างนั้นมันก็ไม่มีในที่ตรงนั้นมันหมดออาืถ้าเราไปพูดอย่างนี้นะถ้าพูดตามคนจริงขึ้นี้ไม่ไม่ค่อยสบายแล้ยนะนเศษทีก็ตรงทีทุกคนโอ้ยนะแค่นั้นถ้าเป็นกว่าต้องเทศ ตามโรคเขาอายุวันโนสุ ข, ขังพลังเนี่ยเขาดีใจที่สาทุกน่ะเห็นไหมอายุให้มากที่สุดวันณะให้สวยที่สุดความสุขให้มีมากที่สุดให้มีกําลังใจมากที่สุดมีไหม น, นี่อันนี้เป็นคํำให้พรคนในโลกเขาชอบอย่างนั้น อือันนี้ถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาตามสิ่งทั้งหลายดันนี้ไม่รู้เรื่องอืมมันรู้จากเหตุนี่ถ้าปราศจากเหตุนี่มันก็ไม่รู้เรื่องไม่มีผลเกิดขึ้นมาอทุกวันนี้เหมือนกันอเราจะต้องเห็นชัดก็จะต้องไม่เกิด จะต้องให้มันเกิดเอ้าลองสิจะต้องให้มันเกิดอืมให้มันรู้จักการเกิดอืแม้ขนาดเทวาแม้คนนี้ทําไม่ชอบใจฉันเลยไหมฉันเกลียดที่สุดไม่มีแล้วไอ้คนนี้ทําชอบฉันชอบที่สุดแล้วไม่มีแล้ว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 ไอ้พวกเราท่าหนายก็เหมือนการฉันฉนั้นที่จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นก็ต้องพยายามอย่าไปสงสัยมันดิสงสัยมันอะไรเนามผมก่อนจะปฏิบัตินี่ผมคิดว่าในโลกเนี่ยไอ้ทาไมศาสนาตั้งอยู่ในโลกเนี่ยทาไมบางคนทําทําไมบางคนไม่ทําอืำทําแบบนี้นิดหน่อยทําไมเลิกไปเนีอะไร่ไงงั้นหรือผู้ไม่เลิกผู้ไม่ไม่ประพฤติปฏิบัติเต็มที่มันเป็นเพราะอะไร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 ถ้าอย่างนั้นก็สงสัยเรื่อยไปคิดอย่างนี้ก็ตั้งใจทาถึงแม้มันจะสุขมันจะทุกข์มันจะระ บ, บากขนาดน่นก็ต้องทำบะชีวิตในชาติเนี้ให้เหมือนวันหนึ่งก็คืนหนึ่งซนะเท่านั้นทิ่งมันทิ่งทิ่งพิ่งมันจะตามคำสอนพระพุทธเจ้าของเราจะตามธรรมะให้มันรู้ซัอทำไมมันยุ่งมันยากในปัตตสงสารนี้ อยากจะรู้อย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนั้นคิดปฏิบัตินะเพราะว่าแ้วก็ภูมิใจเนี่ยในโลกเนี่ยนักบวชทิ้งอะไรไหมถ้าเป็นนักบวชไม่สืบแล้วปฏิบัติทิ้งหมดทุกอย่างเลยไม่มีอะไรจะไม่ทิ้งมันรูปมันเสียงมันกลิ่นมันรสมันปวดทิ้งทั้งหมดแต่กระทบทั้งหมดต่ทิ้งทั้งหมดทิงมากที่สุด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 ทำไปนะยิ่งทายิ่งทามันก็ยิ่งภูมิใจยิ่งทามันก็ยิ่งภูมิใจมันจะเห็นทางจิตใจของเราไอ้สิ่งที่มันแปลกประหลาดนั่นอยากจะให้คนเขาไปดูด้วยมันก็มันก็เหลือที่ใสแล้วฉะนั้นธรรมนี้มันจึงเป็นปัจจัดตังรู้เฉพาะตัวเรา ถ้ารู้เฉพาะตัวเราเราก็ต้องปฏิบัติเอาเองถ้า <Yeah. S 1> เราปฏิบัตินี้เราจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ครึ่งหนึ่งเท่านะั้นแล้วก็อย่างวันนี้นะ่ะผมเทศใด้ฟังเนี่ยได้ยินกันได้ยินอันนี้ยังเป็นของใช้ไม่ได้เลยพูดง่ายๆนะแต่เป็นของหนารับฟังไว้อืม mm. ยังเป็นของใช้ไม่ได้เฉพาะตัวเรา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 อมันจะยืนก็ไม่สงสัยนั่งก็ไม่สงสัยนอนก็ไม่สงสัยใครจะมาพูดว่าท่านปฏิบัติอย่างนี้ไม่ถูกผิดหมดแล้วก็สบายอืมก็ยังก็ยังสบายยังยังมีหลักสบายมีหลักอะไรไหมอย่างเรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างนั่งมันก็สบายเดี๋ยวนี้นะอืเป็นปกติสบายอยู่ แค่มีกาหน้าอยู่ข้างหน้าอีกออมันหนักจคกจกกิโลกว่าหรือสองกิโลอ่ะน้ําหนักของมันผมจะเอื้อมมือไปยกกาหน้ามันนั่นขึ้นเรื่องมันผิดปกติของผมรู้จักว่าเอออันนี้มันเพิ่มความหนักขึ้นสองกิโลหรือมั้งเรานั่งอยู่เฉยๆไม่มีความหนักอย่างนี้ที่มันจะหนักนี่พอเราเอื้อมมือไปยกกาน้ําเหมืนรู้สึกว่ามันมีหนักประมาณสองกิโลอย่างนี้อันนี้เรารู้คนเดียวเรานะ อแต่เขาท่านไม่หนักท่านไม่รู้สึกหนักเลยเราจะเชื่อเขาไหมเราจะไปห้าว่าฉันไม่หนักหรือว่าฉันหนักจะไปพูดเลยอนี่ประมวลกันถันนั่นอืมฉะ น, นั้นพระพุทธเจ้าองค์กานจึงให้รู้โดยตนเองทำนี้จะบอกกันจริงๆไม่ได้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 นอกจากความรู้สึกของเราความเห็นของเรานั้นและมันเกิดเป็นสมาธิิเข้าวเรื่องประพฤติเรื่องปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นเราทุกคนสมือนกันในเรื่องปฏิบัตินี้น่ะบวชอยู่ตั้งห้าปีสิบปีจะปฏิบัติประมาณเอาสักเดือนหนึ่งเช้นนี้มันก็ยากเหมือนกันเนี่ยนี่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 นะอันนี้เป็นเรื่องผลงานที่จะมันเกิดขึ้นจากการกระทํางานของผู้ปฏิบัติอ้ะฉะนั้นสิ่งใดที่หากที่เรียกว่ามันเกิดประโยชน์ตนเนี่ยประโยชน์คนอื่นที่พระพุทธองค์ทัานสอนว่าสร้างประโยชน์ตนแล้วก็สร้างประโยชน์คนอื่นชื่อว่าทําตามพระพุทธญาอืมแล้วก็ผมเคยสอนเสมอว่าไอ้อสิ่งที่ควรทํานี่ไม่คว อ, อยากจะทํากัน อย่างจิตวัดคอวัดอะไรต่างๆเขาผมเคยสอนบ่อยๆพูดเนี่ยไม่ค่อยอยากเอาใจใส่กต่เพราะคนมันไม่รู้นะไอ้ความเป็นจริงก่อนนึกว่ามันขีเ้เกียจบ้างมันลำคานบ้มันวุ่นวายบ่าอันนั้นแหละมันเป็นเหตุเราจะไปอยู่อะไรไม่มีอะไรเฉยๆอยู่จะอะไรไหมน่ะอะจะเป็นอาหารก็มันกันนะเมื่อฉันกลับไปมันเฉยๆจะเป็นไงไหมอร่อยไหมอ้าวลองดูปิด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 นับบาทนับจีวรเทกระโถนสรารพัดอย่างว่าไม่คิดว่า น, นี่ทำให้องนั้นอันนี้ทำไม่ได้คิดอย่างนั้นทำข้อปฏิบัติของเราใครไม่ทำเราก็ทำเป็นกำไรของเราเนี่ ย, เ, ย, เ, ยเป็นเรื่องทำมาสบายใจภูมิใจถึงมโนโสดมาแล้วน่เรารู้จักพึบแบบเราเป็นพระนุ่ม ไปจัดดงบสุดปัดปวดตั้งน้ําใช้น้าชั้นตาดาพัดอย่างสบ้ยไม่ไอ้พวกไม่รู้จักจิตวัตก็เฉยเราก็ไม่ไหวเขาหรอกนี่คือคนไม่รู้จักอันนี้เราก็เอามาปฏิบัติไล่เราทาําแล้วก็ปลมกใจเราสบายปลุกอัชนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถึงเวลาแล้วผมผ่าเดินจชมโภมสบายปลุกใจมันภาวนามันสบายเด็ดแต่มันดีมันมีกําลังคอวัดของเรามันมีกําลังอืมมีกําลังมากอืม ที่ไหนเราจะควรทําได้ในวัดของเราในกติคนอื่นก็ดีกติเราก็ดีนะ่ะที่มันสปกปรกรบลวงลังทำเลยไม่ต้องไปทําให้ใครหรอกไม่ต้องทําเอาหน้าเอาตาแร้วทาเพื่อข้อบปฏิบัติของเราถ้าเราได้ทําเช่นนั้นก็เหมือนมันกวาดของสกปรกออกจากใจของเราเนี่ยกวาดกติกวาดเนาสนะชนะไทยมันสะอาดก็เหมือนกวาดของสกปรกออกจากใจของเราอย่างนั้นเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัตินี่ยอันนี้ให้มันมีอยู่ในใจของเราทุกๆุ คนไม่ตรงมากความสามัคคีเนะี่ยไม่ตรงร่องเนียกเลยเป็นเลยให้มันให้มันเป็นธรรมะอย่างนั้นสบายอืมมันสบายสงบระ ง, งับเนี่ช่วยกันทําอืมช่วยกันอืพยายามทําใจให้มันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรแบบว่าขัดแย้งเราอะไรที่มีงานหนักงานหนาของครัวช่วยเป็นบางครั้งต้องช่วยกันทํา อะไรถ้าเราช่วยกันเน่ยมันก็สบายไม่นานช่วยกันง่ายๆแล้วก็แล้วไปมันดีที่สุดจีวรวินทบาศเสนาสนเพสัตมันเป็นที่อาศัยของพวกเราทั้งนั้นเนี่ยพวกเราทังนั้นแล้วผมก็เคยพบกันเตว่าผมมีกำไรไปอยู่เดียกันมากๆมีพระบางองค์เนีนบางองค์เอ้าวันนั้นเน่ยย่อมผ้ากันนะต้มผ้าเราไปต้ม แกนขนุนดีมีพระบางองค์ใครเพื่อน z o o ม zoom เจริกรรมามาเอาพามาซุกซุบย่อมกันหนีเลยไปตากีบพอดีนอนสบายเนะีไม่ต้องต้งแกนขนุนน่ยไม่ต้องไม่ไม่ต้องอะไที่มาล่างหม้ออีกไม่ต้องมาจัดอะไรเขาเนื่อว่าเขาสบายเขาดีอนนั้นคือมันโง่ที่สุดซะแล้วยิ่งสร้างความโง่ใส่เจ้าของแล้วเนะี่ยเขาว่าเขาไม่ได้ทํางานรด้กระเพื่อนเขาทำแล้วถึงเวลาเราไปทำไํำเลยง่ายที่สุดยิ่งเพิ่ม ก็โง่คืนเอารู้เถอะอันนั่นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเขาเลยเนี่ยให้ดูๆอย่างนั้นดิให้ดูๆงั้นอันนี้คือความคิดโง่ของคนอืมนึกว่าเราดีสะอาดเราดลบอยู่ได้ตรงไหนกะอยู่ตรงนั้นนี่ไม่ต้องทำํำในจิตที่ควรทํำไม่ทำหลบได้เดีวดีที่สุดนี่แหละคือมันโง่ที่สุดะ่ะ เออให้เรามีความเห็นอย่างนั้นในใจของเราอยู่มันก็อยู่ไม่ได้มนีออ่ยผมเคยเป็นพบเคยพบแต่บ่เคยเห็นเห็นแล้วก็ต้องรู้จักเรามันเป็นอย่างนั้นถึงคราวอยู่ก็ภูมนั่นก็อยู่ไปทําไปถึงคราวหนีก็หนีไปไม่ให้นมันมีอะไร อ, อืม่ยฉะนั้นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกนั่นแหละคือเป็นเรื่องปฏิบัติของเราเ อ, อืมเนี่ย ได้ะระยะหนึ่งมันมีเพื่อนสาธรรมิกมาแล้วผมเคยเล่าให้ฟังอยู่ดื้อๆในสมัยนั้นพระสุเมโทโอมะและกระโลกเตอร์อะไรที่มาก็มาไอชาวยุโรปมาหาเหล่าเราก็ไม่เคยเห็นท่านนะได้ยินแต่ว่า บ้านเมืองของท่านนั่นใหม่มันสนุกสนานเหลือเกินอืมแต่เราก็ไม่เห็นเราเนึกไปบัดนี้เขามีโอกาสที่มาอาศัยเราอยู่อยู่รวยกันพอยินข่าวว่าจะมาล็อกตะเบินน่ะล็อกตะเบินเดี๋ยวมานั่ก็ไม่ค่อยสบายซะแล้วเนะี่ยกลัวเนะี่ยกลัวกลัวแล้วทำไมแหม่ท่านมาอยู่กับเรานะี่ท่านมีความสุขนะท่านสบายอะไรเลยมดตรงนั้นนะ่ะ จะมาอยู่กับเรายัางไงเนาะอาหารแล้วก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยดีน่ำพริกปลาต้มผักในธรรมดาอยู่ตามมานอกไม่ค่อยสบายใจนั่งคิดไปมาอยู่เรืเอ่อยพอดีธรรมะเออกิดนาได้เออ<ม>ลองลองคิดอย่างนี้ดูสิว่า<ม>นะ<ม>เรามีมือสิบนิ้วเท่านี้แหละข้างละห้านิว้ว เขาอยากจะขอดูมือเราในข้างละสิบนิ้วจะให้เขาดูได้ไหมมือข้างหนึ่งมันห้านิ้วเขาต้องการอยากดูมือสิบนิ้วหรือเจ็ดนิ้วแปดนิ้วของเราะจะมีให้เขาไหมมาในเมืองไทยนี่ทำไมก็ท่มานมาศึกษานี่พุทธศาสนานี่มา ศ, าศาึกษาวัฒนธรรมของไทยอยู่เมืองไทยเขาอยู่อย่างไรเขากินอย่างไรเขาทาอะไรอย่างไรท่านก็ต้องรู้จักอยากจะรู้จัก ใช hey. ถ้าผมไปบำรุงมันโดยท่านทุกอย่างท่านจะโง่เท่านั้นแหละ mm hmm. จะฉันได้ขนมปังอยู่เลยท่านจะมีดีอะไรไหม mm hmm. กลับไปวาดเมืองไทยเขาทําอะไรยังไงไหม mm hmm. เขาปฏิบัติอย่างไรไหมไม่รู้เรื่อง mm hmm. นี่เป็นเหตุให้ท่านโง่อย่างนี้ mm hmm. อย่างนั้นท่านจะอยู่อย่างนี้ก็ได้ตกลงอยู่กันนะเ mm hmm. นี่ย mm hmm. คิดพอดีเป็นปกติอยู่กันสบาย ท่านคนลำบากเหมือนกันนะอย่างทัานชาคารโอทั้งหลายแล้วนี่มาเงินมาครั้ดียวกู้ยืมตั้งปีสองปีทองอืมเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดความฉลาดเกิดความได้ผลในเราเรียนอะไรต่งตางๆในปฏิบัติรู้จักอืมจะต้องรู้จักวิธีการปฏิบัติในพุทธศาสนาเรื่องเมืองไทยอยู่เมืองไทยแล้วดีมากครับ นี่มันในฉลาดอย่างนี้จะต้องลงทุนจะต้องลงทุนอแฉะนั้นจะพูดอะไรจะทําอะไรก็ให้รู้สึกว่าเรามาทําอะไรที่นี่เนี่อยากกินดีนั่งดีนอนดีอะไรตั้งไหนเรามาทําอะไรที่นี่ที่เรามาเรามาทำอะไรไหมให้รู้จักอนี่ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เสมอนะ มันก็ปลุกใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่เผล่หรอกปลุกใจเสมอนแม่ท่านจะยืนอยู่ท่านก็จะมีปลาลกอมเพียนท่านอท่านจะเดินอยู่ท่านก็ปลาลกอมเพียนท่านอท่านจะนอนอยู่ท่านก็ปลาลกอมเพียนท่านอเนี่ยถ้าท่านเป็นท่านจ้องปลาลกอมเพียนที่ไม่ไม่ได้ปลาลกอมเพียนม่นจะเป็นอย่างนั้น นั่งอยู่ก็ไปนอนอยู่ในบ้านเนี่ยยืนก็ไปเล่นในบ้านเดี๋ยวไปเด่นอยู่ในบ้านเด่นอยู่ประชาชนเขาอยู่ในนั้นยุ่งกับเขาอยู่นั้นใจมันไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ปารบกวนเพียรในเมื่อมันไปกูไม่ไดไม่ได้หักห้ามใจของเราอีกด้วยกูยิงป่อยมันไปตามลมตามอารมณ์นี่เดี๋ยกว่าตามอารมณ์เหมือนเด็กในบ้านเ้าตามใจมันมันจะดีไหม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 ฉะนั้นบัดนี้ผมตั้งใจอยู่แล้วนะผมตั้งใจเนี่ยที่ผมก้าวเข้ามาสู่วัดประโภคคราวหลังๆเนี่ยผมจะพยายามตั้งใจแล้วเพราะว่าอะไรชีวิตของผมก็จะไม่นานนะจะพยายามตั้งใจอบรมที่นี่นะ ตอนเช้ามาตอนนั้นมาจะทําวัดสวดมนต์ให้อาจารย์ชูอาจารย์เหลี่ยมช่วยทางโน้นตอนเย็นมาก็ปล่อยให้ผมจะพาพระเนนทําทางนี้พยายามจะให้สม่ําเสมออืตกลงใจแล้วอย่างนั้นพิจารณาแล้วอพิจารณาแล้วจะพยายามทําถึงแม้จะมีใครมาก็พยายามทําอย่างนี้ต้องพยายามทําเป็นโอกาสแล้ว เป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่ดีนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราโน้นก็ควรแล้วเก้าขนาดนั้นปงอายุปงสังขารแล้ววางแล้วถ้าจะตายก็ให้มันตายในข้อพระพุทธปฏิบัติเราเนี้ยพอสมควรเนี่ยต้องพยายา ม, มถ้าเนรทุกอ ง, องค์ต้องพิจารณาฮะต้องพยายาม การทำสมาธิน like ียให้มันติดต่อกันอืมติดต่อกันถ้าทำสมาธิบ่อยสินของท่านจะดีขึ้นท um ่านจะมีการสังบอรสังรวมถ้าแต่มีการสังวรสังรวมปัญญาของท่านมันจะดีขึ้นปัญญาดีขึ้นสินมันจะดีขึ้นสินดีขึ้นสมาธิมันจะดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญามันจะดีขึ้น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 ตามที่ผมทำมาแล้วมีความสงสัยมากแต่ผมไม่กล้าจะเรียนถามท่านมากมายเพราะว่าการเรียนถามข้อสงสัยท่านก็บอกให้เราแล้วไม่ใช่ว่าเราลู้นะท่านก็พูดตามความเห็นของท่านเท่า น, นั้นยังไม่จบหรอแต่ก็ยังดีนะ่ะเป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะต้องวินิจฉัยไปเรื่อยๆอย่าเข้าข้างตัว จะเข้าข้างคนอื่นเราศึกษาเรื่อยๆไปแห้มันเห็นการเจรองอย่างนั้นนี่อยากเข้าใจว่าอยู่นี่ไม่ได้ทำความเพียรการทำเพียรมันด้จีดขั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนได้หมดทั้งนั้นแม่กวาดลานวัดอยู่ก็บรรลุธรรมะได้ แม่มองไปเห็นแสงพยับแดดแถนั้นก็บรรลุธรรมะก็ได้ไม่ต้องจะเป็นนั่งดับตาอยู่อย่างเดียวให้ระวังแล้วจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปตรงไหนเป็นต้นให้มันมีพร้อมอยู่เสมอทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันจะมีโอกาสบรรลุธรรมะอยู่ทุกเวลาทุกสถานที่เมื่อเราตั้งใจอยู่เมื่อเราพิจารณาอยู่นั้นแค่นั้นสั้นสิงอย่าประมาทไม่ให้ประมาท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 เจตถาบรสัมภุกเปรคขาปดสังขารสัตเตสัมมตจินนามูลินาสมมตกตาปาวีตะาภุรีกตาสังมตติเมื่ อ, อไรเราเรียศึกษาอยู่เป็นภูมิสูตรศึกษาอะไรไหมศึกษาอารมณ์เนี่ยธรรมะถึงมาเกิดกับกจิตเนี่ยไม่ต้องไปศึกษากับใครที่ไหนได้ศึกษาอยู่เนี่ยอืมเมื่อเรามีสติอยู่มันมีข้อศึกษา โทดสังโคสติสังคาโตธรรมานังวิจโยมีสติมันก็จะมีธรรมวิจยะมันติดต่อกันเสมอมันเป็นองค์ธรรมกัตถรูถ้ทางนั้นแ่ะถ้าเรามีสติอยู่มันมีธรรมวิจยะมันจะมาอยู่เฉยๆเาเป็นองค์ธรรมกัดถารู้ถ้าอยู่ในในระบบนี้นะมันกัดถรู้ธรรมะมันอยู่ตรงนี้ ไอ้ผมเชื่อเน่ยหรือเกินเลยอันนี้เออไอ้ภายในจิตของเราเนี่ย<อ>การปฏิบัติการปิรณาไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีเวลาแล้วพยายามที่สุดมันมีอยู่อย่างนั้นไม่มีเรื่องอื่นมาปนปนก็รู้จักว่ามันปนเรื่อรู้จักให้มันตกได้เป็นโพชงเป็นองค์ธรรมกัจรู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 จะไปเที่ยวตรงนั้นมันจะไปทางนี้ตรงนั้นสนุกจังหวัดนี้มันไม่ไปอย่างนั้นหรอกอันนั้นมันหลงโลกเดี๋ยวก็ตายอะไรแบบนี้มันไม่ไปอย่างนั้นไปพอดีมันฆ่าที่หมดด่ะมีบวกมีรบกันอยู่เสมอแล้วนะให้พิจารณาอย่างนั้นฉะนั้นจงประกันตั้งใจไม่ใช่บานั่งรับตามันมีปัญญาอย่างเดียวตาหูจมูกยื่นกายจิตมีอยู่เสมอเราตื่นอยู่เสมอแล้วมันรับรู้อยู่เสมอศึกษาตลอดเวลา อืะข้างนอกมันจะเห็นใบไม้มันจะเห็นสัตว์ต่างๆมันก็ได้ศึกษาตลอดเวลา น, น้อมขมาเป็นโอปารายการะทำให้เห็นชัดในตัวของเราเป็นปันจจตังเนี่ยนี่จะมีอารมณ์ภายนอกกระทบกระทั่งขมามันก็เป็นมันก็เป็นปันจจตังซ้ำ ม, มั่เสมอไม่มีทิ้งไม่มีทิ้งพูดง่ายๆเหมือนเหมือนเขาเผาถ่านเตาถ่านครับเห็นไหมยอื่ เขาอิดเขาเห็นไหมถ้าเขาทำถูกแล้วเป็นต้นก่อไฟขึ้นหน้าเตาสักสองวานสองสอกเม็ดหนึ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะดูดข้าไปในเตามดหนึ่งควาไไนไฟนะยังดูอันนั้นก็ได้อันนี้เกิดมาจากอะไรที่พูดอย่างนั้นมันเห็นชัดอย่างนั้นมันเป็นรูปเรียบของมันถ้าเขาถ้าเขาทำเตาเขาอิดถ้ามันถูกเรื่องของมันมีลักษณะาหละนะ มันจะก่อไฟอยู่หน้าเตาขนาจักสองเม็ดสามเม็ดเนเมื่อมันมีควันขึ้นมาพบมันจะดูดเข้าไปในเตาทั้งหมดไม่มีเหลือเลยความร้อนมันจะกข้บรรจุในเตาหมดไม่มีหนีนล้วต้องไปอย่างนั้นก็เหมือนกระเมนเผาศพนี่เมื่อเราทำถูกใส่ไฟเข้าไปมันจะดูดเข้าไปหมดไอ้ความร้อนมันจะไปทําลายเร็วที่สุดอนี่มันเป็นอย่างนั้นไอ้ความรู้สึกของผู้ปฏิบัตินี่กับมันกัน พอมันเป็นเช่นนั้นมันจะมีความรู้สึกมันจะดูดเข้าไปในสัมมาทิฏฐิทั้งนั้นเนยพอตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกลคลวงกลิ่นดิ้นดีมรสทั้งหลายมันจะดูดเข้าไปให้เป็นสัมมาทิฏฐิทางนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นรูปเปรียบต้องพูดอย่างนั้นออันนี้จงพากันตั้งใจจะเป็นพระอยู่ที่นี่ก็ตามจะเป็นอคนตุกะมาใหม่ก็ตาม อจะเป็นพระบวชใหม่ก็ช่างจะเป็นนาคมาอยู่นี่ก็ตามทีเตอะให้เข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติอยู่วัดประพงค์นี้ถ้าให้รู้จักมีสัยมาที่วัติประพงค์ที่ผมอยู่เนี่ยผมก็ไม่คอยไปอะไรกับใครนะดุสิตดุขาเนี่บางคนถ้ไม่เข้าใจอาจจะว่าไอ้ท่านไม่คอยถามแล้วท่านไม่คอยเรียนแล้วอะไรเนี่ยอย่าไปโม้ถึงขนาดนั้นนะ่ะอืมพอเขาพัน ที่มาอยู่กับผมเนี่ยไม่ได้เคยถามปีนี้มาถามเจ้าเพราะขันจะอยู่บ้านเลย อ, อยู่บ้านน้องไนก์นึกว่าอยู่นี่กี่ปีหรอแปดปีหรอไงแน่ไม่เบื่อหรืออยู่ถึงแปดปีได้ไม่เบื่อนีย่ยังไม่เบื่อครับเพราะเหตุใ ด, ดถึงไม่เบื่อถ้าผมตั้งใจมาตายที่นี่ แน่มันฟังง่ายๆได้เกินนะเพราะผมตั้งใจมาตายที่นี่นี่น่าจะทำขนาดไหนเนี่ยจะเอาอย่างไรวะผมบาจะเอาให้มันหมดนี่ปีนี้ถามถามพ่อขาวพันล้วจวนจะหมดหรื อ, อยังเนี่ยจวนแน้วครับแน่นี่นผมลยยินออกจากจิตใจของพ่อขาวพัน แกมาบวชที่นี่ไหมก่อนน้องพ่อผมปฏิบัติปุ่นไหวผมอยากจะบวชเป็นพระอยากจะบวชเป็นเนนใหม่ไม่เคยได้ยินอืมผมเปลยนนั่นเป็นนี่ไม่เคยได้ยิ น, น, น, น, น, น, ยยนถึงแม่ป่วยแล้วก็ดูออกมีปัใจจัยใช่ไหมอะไรไหมพอมีครับไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีก็ไม่รู้อืมลูกมาหรือไม่มากต่ผมก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น แปีปี่ิผมเพิ่งมาถามเนี่ยมาถามเพง น, นีเนี่มันก็เรียกว่าไม้น้าตามป่าเนี่ยไม่ต้องลดน้ํามันนะอะอในรู้แร่งมันแดดก็แดดเป็นปุ๋ยมันคระมันก็ไม่ตายธรรมชาติเป็นอย่างนั้นต้องทนครับนี่ก็ผมเรียบไปฟังอีกอย่างนี้ว่าเหมือนบัวกระตระุ่กับน้ํำนี่บวมจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีน้ําแล้วก็มีตุ่ม ถ้าไม่มีนะ้ำมีตมบัวเกิดขึ้นไม่ได้มันอาศัยสิ่งกันในการอย่างนี้ในการประพฤติปฏิบัติเราจะเป็นไปได้โดยง่ายเพราะเราเพื้อในการปฏิบัติเราในปัจจุบันนี้อย่างหนึง่งเพราะวุฒิวัสนารรมอารมีเราอย่างหนึง่งเมื่อเราทำให้มันถูกต้องมันจะค่อยไปของมันเรื่อยๆของมันไปเช่นว่าท่อนไม้ที่ตัดทิ้งลงไปในคลองในแม่น้า ให้มันไหลไปอย่าไปติดฝั่งโน้นไปติดฝั่งนี้แล้วพอแล้วระทถอนไม้นั้นไม่ผูกวันหนึ่งมันจะถึงขั้เรียนจนได้เมื่อเราทําเช่นนี้แล้วก็มองกันฉันท่านพระพุทธองค์จะคิดแตรู้เลยว่าอะไรมากวนท่านปฏิบัติว่าสิ่งสองสิ่งนี้มันกวนท่านคืออะไรคือการมาสุขคันิการนิยโภอสัจที่เรามาสานิยโอนี้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 ทุกเกิดขึ้นมาแรื่องทุ ก, กตั้งอยู่ทุกตั้งอยู่แต่ทุกกระลาปมันก็เหมือนกันเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่ากันใดทั้งนั้นนี่ท่านก็เห็นอย่างนี้ท่านแสดงในกรรมวิธีการนิยโภอัฏฐาจีรมารมรตานิยโภสอนประการนี้ว่าสมณะาทาั้งหลายนั่นอย่าเดินไปสองทางนี้มันเป็นธรรมของคารวะ ไม่ใช่ธรรมของสรระคารวะเขาเดินไปตามนั่นเห็นไหมเน่ะถูกเขาก็เอาทุกเขาก็ไม่เอาอืมชอบใจเขาก็เอาไม่ชอบใจเขาไม่เอามันมีทางสบายไหมคารวะ ม, มันนิ่นอยู่ตลอดเวลาคนทุกข์แล้วมันก็ยังทุกข์คนรวยแล้วมันก็ยังทุกข์เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่รู้เรื่องของมันอืม ทุกมันเอาทุกไม่เอาชอบใจเอาไม่ชอบใจไม่เอาเท่านี้มนุษย์ทั้งหลายคารวะเขาสร้างกันอย่างนั้นอืฉะนั้นในทางคารวะานั้นมันเป็นทางขี่ขับแคบมากก็พุทธิจตตราฏวสิ่งทั้งสองอย่างนี้คู่ประพฤติปฏิบัติหาความสงบเดี๋ย่าไปติดติดสองอย่างเนี้ปฏิบแต่ิสองอย่างนี้แล้วมันบอกเอาเลยผู้ปฏิบัติ มันเตือนเสมอแล้วบางทีความสุขกิดขึ้นมาติดสุขบางทีความทุกข์เกิดขึ้นมาไม่คิดไม่ยึ่ในทุกข์นั้นนไม่เอาจะเอาอะไรก็ไม่รู้มันก็ติดมันก็พนไปพนมาอยู่เรื่อยไปสลับซับซ้อนอยู่เรื่อยไปเราก็สุกสุขทุกทุกทุกทุกสุกสุขไม่มีทางที่สงบแล้วนี่ฉะนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าสันปจิบัติมาแล้ว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 แล้วกว็ไปยึดในความต้องการนั้นเมื่อได้สิ่งนั้นมาแลว้วก็ไปยึดอยู่ในทีสิ่งที่ต้องการนั้นฉะนั้นการกระทำเพียรนี้ท่านพิงบอกว่าทำด้วยการละวางทำด้วยการปล่อยวางไม่ใชนทำด้วยการยึดไว้ถือไว้ให้รู้มีอำนาจให้รู้ไม่ให้มีอำนาจให้ยึด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 เราจะเห็นว่าสิ่งนี้เราได้มาวันนี้ต่ตพุ่งมี้เสียการได้มากับการเสียไปมันมีราคาเท่ากันนี่ครัถ้ามนุษย์ทั้งหลายแล้วถ้าเสียมาถ้าได้มาต้องยิบแย่งเปี่ยนสดีอกดีใจถ้ามันหายไปต้องร้องไห้อันนี้เป็นภาษาของคนที่ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักความเป็นจริง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 เราสมัดตายไปเมื่อเราเปิดโน้นไม่รู้เรื่องของเจ้าของว่าของทั้งหลายเหล่านี้เราจะมีอํานาจควบคุมมันได้อย่างไรมันก็เป็นเพราะมันอยู่อย่างนั้นนอกจากมีความรู้เท่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้มันเล่นงานพระพุทธเจ้าของเรานานเดียวสุขเดียวทุกเดียวทุกเดียวสุขเดียวเสื่เดียวตายอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ฉะนั้นปีนี้จึงจะให้พวกท่านเอาหลักธรรมทั้งสามประการนี้คืออปปนาคาปฏิปทาคือขอ้อปฏิบัติไม่ผิดนี้ปฏิบัติในปัญญ า, านี้ตั้งใจทุกทุกคนการปฏิบัติที่มละเอียดนี้มันเป็นของละเอียดมากคือมันไม่เป็นอะไรตรงนั้นมันไม่อยากเป็นอะไรตรงนั้นมันปล่อยมันวาง มันปล่อยวางการนี่มันปล่อยวางมันเห็นโทษมันจึงปล่อยวางมันได้ถ้าเราไม่เห็นโทษมันมันก็ปล่อยวางมันไม่ได้มนันเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงน่้งการปฏิบัตินั้นเอาอะไรไม่เอาอะไรปฏิบัติไม่เอาปฏิบัติเพื่อปล่อยเพื่อวางทำไมท่านบอกว่ายุดยุดไว้ก่อน ไอ้มันมีตัวมีตุนก่อนยึดก่อนมันจึงไม่มีตัวมีตุนต่อไปนี่ถ้าเรายึดไว้ถ้าเรามายึดเอาปล่อยวางมันเนียไม่มีอะไรจะวางอย่างของในมือเราไม่มีเอาทิ้งมันมือเปล่าๆจะเอาอะไรมาทิ้งน ม, มถ้ามันไม่ยึดไว้ไม่มีสมุดมันก็ไม่มีดีมุดถ้าเราทำอะไรอะไรสักวัตถุอย่างนี้น ถ้ามจงปล่อยอันนี้จะปล่อยออกไปหนึง่งมันนีวัตถุที่จะปล่อยไปมันปล่อยได้คือสมมติมันต้องมีก่อนมีมุดปล่อยมีมุดแล้วสมมติต้องก็เพื่ขึ้นมาอันนี้มันเป็นของคู่คคกันฉะนั้นพระพุทธ เ, เจ้าท่านเป็นสอ น, านทางการยึดทางการปล่อยเนี่ยยึดไว้ก็ะเพื่อเห็นโทษมันถ้าเห็นโทษแล้วมันก็ปล่อยวาง นันการปฏิบัตินี้ท่านจะงบอกใหย้นนหยึดอันนั้นยึดอันนี้ก่อนต่อเพราะว่าถ้าไม่ยึดมันไม่มีอะไรจะปล่อยไม่มีอะไรไม่มีข้อประพฤติไม่มีข้อปฏิบัติฉนั้นปีนี้ทุกทุกท่านทั้งหลายนั้นพอกันตั้งอกตั้งใจมาแล้วต้องพยายามอย่างน้อยที่สุดพยายามมันผิดกติกานี้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 การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอเมื่อเราไม่เห็นความถูกต้องจ้ะอย่างเดียวเท่านั้นะนะแฐาน้ะเดียวในจิตใจเราเห็นผิดอยู่ตลอดจนเกิดมาจนตายก็ไม่มีราคาอะไรตรงนะี้อันนี้บทสามเดือนก็ตามสองเดือนก็ตามปีก็นะอย่าไปว่ามาเลยยังให้เราสร้างมาเยอะเราสามเดือนแล้วเราก็สึ อย่าไปว่ามันเลยว่าตอนนี้ไปสามเดือนเป็นอนาคต ร, รู้ไหมบางทีไม่ถึงสามเดือนมันตายก่อนทํางพราะความตายในมีสัญญากันไว้ดังบางคนคิดแบ น, นี้มาสรางมาเสร็จเดือนแล้วก็จิบไปบางทีไม่ถึงสามเดือนเนี่ยตายก่อนเลยอย่างนั้นเราก็ต้องปฏิบัติไม่ไว้ใจในชีวิตของเรา เพราะมันผ่านไปทุกวันตัววนตัววันตัววันตัววไม่รู้มิว่าแต่วันเราจะตายเรารู้เลยวันเกิดเรยังไม่รู้เลยใครรู้วันเกิดไหมผมนิ่งแต่เมื่อพ่อแม่เท่านั้นแหละบอกมานี่บางคนใสพูดว่าเฮ้ยผมรู้จักแต่วันเกิดเท่านั้นแหละวันตายผมไม่รู้หรอก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 อปมาเทนะสัมปเทถาท่านตั้งหลายจึงยังความม่ประมาณไม่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้บางคนก็บอกว่าอ่าฮะบวชมีกี่วันแล้วก็สิ้นกไปสั่งเหมือนเธ่นะมไม่ได้ไม่ได้จะต้องทำความตายเนี่เราไม่รู้หมหนันหรอก อยู่ข้างหน้านั้นเนี่ยเมื่อมันจะตายมันไม่ยากหรอกมัไม่ถึงสามเดือนหน่งมันไม่ถึงสองวันเนี่ยไม่ถึงสิบนาทีก็ได้มันตายรู้ไหมถ้าเราคิดเช่นนี้เนี่ยไม่ควรสมาธเลยไม่ควรประมาธเราบวชสามเดือนทําความเพียรจนถึงวันวันวั น, ม, นมันจะสิบจะสิบพรุ่งนี้วันนี้ยังทําเพียรอยู่เออ ยังจะทําเปียนอยู่ตลอดเวลาเนื่อว่าอีู่สองวันแล้วก็ะศึกเทะานะั้นแหละไม่ต้องทําเปลียนเมื่อหรอกนะคือคนงูถ้าไม่ถึงสองวันทำไมตายก่อนทํำไมะมันไม่เสียประโยชน์ซึ่งนี่เราจะไปไวหวใจในชีวิตของเราอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่าเห็นอย่างนี้และความไม่ประมาทก็เกิดขึ้นมาเท่านั้นแต่กาเราเห็นอย่างนี้อมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นในภาษานี้ และผลจึงขอร้องพู้สั่งทั้งหลายนั่นจงึงจึงมีความสมัครใจกันให้มีความพร้อมเพียงกันต่างคนต่างปฏิบัติถ้าเรามีความเห็นพร้อมกันแล้วแมธรรมะของพระพุทธเจ้าจะอยู่ ส, สักกัรูงกว่าได้มันไม่มีความลําบากอืให้เป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตอย่าเป็นผู้มีมายาสาขไข ในจิตียวัดทางหลายทางกว้างหลายหลายแล้ว น, ะนั้นนี่คือหลักปฏิบัติจริงๆจะต้องทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ใจก็สบายใจก็สบงบเท่านั้นแหละการทําทสมาธิเราก็ทําของเราไปทุกวันดูวันตอนกลางคืนเราจำวัเดเสร็จแล้วตื่นมายังเวทีกลางค่างเราก็ดุดน ม, มานั่งสมาธินะ่ทา อย่าเห็นว่าท่านไม่ทำอะไรอย่าไปว่านะออส่วนตัวเราทำได้ผมติดประตูไว้ในตันไปควรกลางวันกลางคนเราทำเพื่อนะทำอย่างนั้นเหนื่อยก็เดินเดินก็ยืนพิจารณาอยู่อย่างนั้นในประการที่สองปีนี้ไม่อยากจะพูดไม่พูดกัน คำที่ว่าไม่พูดอะไรก็เพื่อให้ให้ดูจากความพอดีถ้าพูดนั่นสินมันขาดตกบกพรองไปไม่รู้ตัวการพูดไม่ใช่บ่าเราสมถทานมุขธรวัตรตลอดชีวิตของเราไม่พูดเพราะจะทำมือทำไม้ท้กู์สุดข้อทำความเข้าใจกันตอนนั้น การเที่ยวเวียนถวายมาเขามันกันอย่าพูดเดินคุยกันมาการมาจัดอาหารการฉันก็ะยชนพูดเงียบพูดกันน้อยที่สุดไม่ได้ดคว น, น, นกันดีกว่าเมื่อการทํางานตักน้ำทุกอย่างนั้นไม่พูดล้างบาตไม่คุยกันไม่พูดเอามาสรงบาตไม่พูดเนี่ยเงียบมันจะเงียบ เมื่อเราไม่พูดมันจะคิดอย่างไรนันก็เห็นจิตเจ้าของมันอยู่อย่างไรเนี่ยมันไม่เพลินไม่ตามารมณ์นะเมื่อพูดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้จิตเรามันก็สายไปด้วยร่างบาดจนจบไม่รู้ว่าเราคิดอะไรไม่รู้เรื่องเจ ต, ตโรคบาดจนจบพูดไปเรื่องอื่นเรื่องการการะทำของเจ้าของมันไม่รู้เรื่องว่าเมื่อเราอยู่ในลักษณะ น, นี้คิดจะเป็นอย่างไรดดยิตเราอาศัยอะไรอยู่ จิตเรามีความประมาทอยู่หรือเปล่ามีความเน้นผิดเน้นถูกอยู่หรือไม่เรารู้ตัวอยู่หรือไม่เรามีสติอยู่หรือไม่จะมีสัมปชัญญะอยู่หรือไม่เนี่ยนี่เราจะต้องคมจิดเราด้วยเสมอการประพฤติปฏิบัตินี้จะต้องรู้ตัวเสมอให้มันพูดอยู่ในใจของเรามากๆาพูดอยู่ประกาย จ, จักรของนั่นเนี่ยพูดอยู่ตรงนั้นแล้วพูดกับ ใ, ใจจะฟองนั่นเนีในจิตมันจะว่าอย่างนั้นมันย่าเอาอย่างนี้มันอเอาอย่างนี้สารพัดอย่างของมันถ้าเราจะอาศัยภายนอกเป็นอยู่ความสงบพี่มันกรเกิดขึ้นได้คิดว่าในเช้าวันนี้ไม่กลัวนี่เราไม่กลัวไม่กลัวเพราะมันหลายคนลองไปนั่งอยู่ในประชา ค, คนเดียวดีกลัวถ้าหลายคนไม่กลัวถ้าอยู่คนเดียวกลัวนี่ไม่พอ ฉะนั้นในการปัญญานี้ท่านจึงบอกว่าพระเถระในการปัญานี th ้ท่านเล่นอยู่แต่ตเดียวคำว่าเล่นอยู่แต่ตัวเดียวนั่นท่านก็อยู่กับเพื่อนท่านเล่นอยู่กับจิตของท่านมีความรู้สึกมีความเนึกคิดอยู่ตัวเดียวเล่นอยู่ตัวเดียวไม่ไม่ให้โทษคนโน้นไม่โทษคนนี้ไม่อายคนอื่นไม่เป็นเื่องคนอื่นเป็นเรื่องของคนอื่น ไม่เอเรื่องคนคนอื่นมาใส่ใจของเร า, าเราต้องดูงานของเราไม่ต้องดูงานของคนอื่นต่างคนต่างํำอย่างนี้แล้วมันก่อนสงบมันก็เป็นไปเท่า น, น, น, นั้นการพูดน้อยมันเปิดประโยชน์มากที่ไม่พูดวันนี้ทีนี้ภาษา น, นี้ก็เพราะว่าให้รู้จากความพอดีถ้ารูจากความพอดีในการพูดมันก็เป็นประโยชน์การพูดนั่นมันก็เป็นประโยชน์ เฉพาะตนด้วยแลกแก่บุคคลอื่นด้วยถ้าเราไม่รู้เรื่องพูดไปดูเรื่อ ง, เ, องเป็นต้นมันก็เป็นโทษเจ้าของก็เป็นโทษคนอยู่เจ็บเป็นโทษไม่เสื่อมตัวอยู่ตั้งอย่างหนึ่งเลยทีเดียวให้เราพากันทําอย่างนี้ทีนี้เมื่อปฏิบัติอย่างเนี้ยไม่ต้องอะไรมากไลยทำแต่ถ้าใครทําเมื่อจิดมันเป็นยังไงอะเมื่อมารวมกันสงสยัยถามว่าตรงนี้มาทําแล้วมันเป็นอย่างไงมันเป็นเพราะอะไร นี่ออะถามนะแต่วารัสนะอันนี้ผมไม่ใส่ถามตูบาอาจารย์จิตของผมมันเป็นอย่างนั้นไม่เคยถามไม่เคยเรียนตูบาอาจารย์ถึงไปนั่งตะนั่งฟังเสมอฟังนะฟังแล้วมาที่เจริไม่ไม่ไม่เรียนถามท่านถ้ามันจิตตรงไหนอยู่ก็ติอยู่ตรงนั้นแหละถ้าไปถามท่านเนี่ยมันนานรู้ ก็ไปถามท่านท่านก็บอกท่านบอกเราเราก็รู้จักความที่ท่านบอกเรารู้จักแล้วนี่พนทุกข์ไม่ได้อก็เพราะการความรู้จากคนอื่นนี่อีกผมเป็นอย่างนี้ให้มันทุกข์ก็ใ้มันทุกข์อยากให้มันทุรู้เลยคนเดียวถ้าไม่เต็มทีแล้วไม่เรียนไม่เรียนไม่เพื่อจะมันทํางานเอง พูดถึงอย่างนี้ก็มาพูดถึงเรื่องเสพระประหลังส่านตะกีตโตท่านจะใสสารจะทอไหมสารเต่มนะในส่สารเห็นคนไทยเขาสารอยู่ก็อเอามาตอบมาสารนี่ถ้าไทยจะไปบอกท่านรู้ที่ผมจะบอกท่านท่านไม่ต้องบอกผมให้ผมทำเองผมมันถึงจะาดนี่คำพูดเท่านี้มันก็ไปเห็นกระกิหนาแล้ว ที่เขาอยากจะรู้เองเขาเห็นอองเขาไม่ต้องอาศัยคนอื่นถ้าหากว่าคนอื่นบอกแล้วมันไม่ได้ใช่ปัญญาันมันมใช่ความคิดถ้ามันค้นในเองจริงๆเนี่ยมันมีราคามากเลยคื น, นท่านจะบอกไม่ต้องบอกผมใต้ผมทำเองผมนี่ถ้าใครก็ไม่ไปบอกท่านก็ทำเม่ท่านหรือนล้เป็นเป็น เป็นแต่แท้เป็นเพราะเจ้าขอเงเองแต่แท้อะไรที่มันเกิดกับจิตใจจ้ของจริงๆแนละ้วมันมีราคามากที่สุดมันแน่นอนเหลือเกินอันนี้ทุกท่านก็ถามคนโน้นก็ถามคนนี้ถามคนนี้ไดยรู้จักไอาการที่รู้จักวันนั้นมันรู้จักเพราะคนอื่นบอกคนอื่นบอกนั้นเป็นต้นเรารู้จักไม่แน่นอนไม่ไดเป็นปัจจัยทางเจที่จะโศวิญญ พระพุทธองค์กันจึงตรัสว่าใครยังเชื่อคนอื่นอยู่นั้นคนนั่นงูนี่คนนั้นยังเป็นคนงูอ่เนื่อคนในเชื่อเจ้าของได้แล้วคนนันนนน้นเป็นคนฉลาดพระพุทธเจ้าสอนเตืไม่เชื่อคนเชื่อคนอ่นนี่ได้พบกันทางไหนามาจำวัดในวัดต้องประพงศ์ี่นี้นั้นพบกันทางไหนคงจะได้ยนินจิตจิตสาวว่าวัดต้องประพง์มีปฏิบัติี แต่สอนคำถามนีปฏิบัติที่นั่นสงบมากเราก็่ากันมากกนไอความเป็นจริงนั้นมาแล้วมันไม่เหมือนอย่างเลยความเราคิดผมก็เอาความสงบให้ท่านในท่นเวัดนี้ก็ไม่มีความสงบจะเอาความสงบให้ท่านในท่านทําไมเพราะเอาให้กันในท่านความสงบอยู่ตรงไหนความสงบไม่สคอ ย, ยู่ที่นี่ความสงบนั่นอยู่ที่พอจันทรทางไหนเห็นปู่ ไม่จะอยู่ที่วัดต้องบวชพงไม่จะอยู่ที่อยู่กับผมวัดต้องบวชพงก็เป็นภารรษาที่ที่สงบระงับเท่านั้นตามธรรมชาติเป็นธรรมชาติของขี้แจงธรรมะให้พวกท่านฟังเท่านั้นคนจะเอาธรรมะให้ทันเวลาจะปฏิบัติให้พวกท่านก็ไม่ได้เป็จนเพียงขี้คนทางตนน่นี้ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะมีอำนาจเท่านั้นมีอำนาจบอกอันนี้ทําอย่างนั้นอันนั้นทําอย่างนี้บอกว่ า, าทางานี้เท่านั้น สายวกทางไหนก็ปฏิบัติเองทเองให้รู้เองให้เห็นเอง